ทวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะอีกวันนึงนะคะกับรายการสันสนิษฐานาดิฉันสัน ส, นสินนาพงศ์ดำเนินรายการเป็นการสนทนาธรรมล้วนนะคะกับพระมหาภบูบุญอภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งท่านกําลังจะให้โอกาสกับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังสถานีวิทยุนี้อยู่ไปพบกันที่ปตทสอพอในกิจกรรมที่ทางปตทสอพอเขาจัดขึ้นมาโดยชมรมรักธรรม ของเขาในวันที่3และวันที่4เดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยไปติดตามกันข้างในนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปกราบนมัสการท่านพร้อมทั้งเตรียมตัวที่จะให้ท่านนำพวกเราได้โอกาสพิเศษปฏิบัติธรรมกับท่านทางสถานีวิทยุในเวลาต่อมานี้เลยนะคะนมัสการกับท่านคะเชิญพานพูดถึงการเริ่มในแต่ละวันด้วยการตั้งสติของเราขึ้นอันนี้เป็นการดีแน่ เพราะว่าสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้จะทําให้จิตของเรานั้นไม่ดื่มหลงพระพุทธเจ้าให้เราพูดที่จะตั้งสติขึ้นเนี่ยให้มีการดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าอาจจะนั่งอยู่ในห้องหรืออาจจะด้วยอยู่ในอิริบทนอนหรืออิริบทเดินหรือทํากิจกรรมยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยสามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้ทั้งสิน้นเพราะว่าสตินี้เป็นเรื่องของจิตแต่ถ้าจิตของเราไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่ จิตที่มาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือสติทันทีนนเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้เรามารู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่อยู่บริเวณโพรงจมูก่ทําอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวให้เร็วหรือให้ช้าแต่ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างเวลาที่เราทํางานเดิน หรือว่ากินอาหารหรือว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ <c oughs> ให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ต้องชา้าหรือเร็วเกินไปเรื่องของจิตเรื่องของสตินี้ก็เหมือนกันให้เราทําอย่างเป็นธรรมดาแต่เวลาที่หายใจธรรมดาธรรมดาแล้วสติของเราจะเกิดขึ้นจากการที่จิตของเรา ม, มาตั้งอยู่กับลมเวลาที่จิตของเรา ม, มาตั้งอยู่กับลมธรรมชาติของจิตนั้นจะไม่ลืมหลงคําว่าไม่ลืมหลงนี่คือหมายความว่าจะไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆคําว่าไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆนั้นหมายความว่า เราอาจจะรับรู้ถึงเสียงนี้อยู่เราอาจจะมีความคิดใดๆอย่างใดหนึ่งผ่านมาอยู่แต่ก็ไม่ลืมหลงลมหายใจแต่ลมไม่ใช่ก็รู้ไปด้วยความคิดก็อาจจะมีเสียงก็อาจจะได้ยินถ้ากับรถอยู่ก็อาจจะเห็นภาพไปด้วยแต่ลมนั้นก็ไม่ลืมความที่ไม่ลืมลมเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ที่มีจิตยังรักษาจิตได้อยู่ในลักษณะของผู้ที่รักษาจิตได้อย่างนี้จิตนั้นก็จะได้รับความปลอดภัยแต่จากการที่ จะไม่เจอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆความคิดบ้าบอที่จะทําให้เราแบบมีความน้อยเนื้อต่ําใจมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะมีสติรักษาแต่ก็จะมีความปลอดภัยตามสมควรแก่กำลังเพราะฉะนั้นให้เรารักษาสติตั้งจิตของเราไว้อย่างดีอยู่อย่างต่อนเนื่องทั้งวันและนี้จะเป็นประโยชน์มากจุลบดสาธุค่ะนะคะท่านฝัง่งค้านั่นก็คือการนําการปฏิบัติธรรมด้วยการสอนวิธีที่ถูกต้องให้ ร้มทั้งให้ท่านทั้งหลายนั้นทดลองปฏิบัติไปเลยอประโยคที่ดิฉันคิดว่าสําคัญมากต้องกราบเรียนถามท่านว่าใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่าไม่ลืมลงใช่ไม่ลืมหลงลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นคํานี้เลยนะคะไม่ลืมหลงลมหายใจนี่เป็นพุทธพจน์ถูกต้องเป็นพุทธพจน์ลมหายใจค่ะคือดิฉันคิดว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมักจะไม่เข้าใจ ในลักษณะที่เอ่อก็มันยังไงมันรู้ลมหายใจมันก็ยังได้ยินเสียงอื่นนี่นะอือตัวนี้สํางคิดเรื่องอื่นนี่นะใช่ใช่ใช่ใชค่ะอุปมาอุปไม้ที่พระพุทธเจ้ายกเพื่อที่จะอธิบายตรงนี้คในเวลาเรามีคําถามอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะอนาจารย์จะมีความแบบว่ารู้สึกแหมพระพุทธเจ้าเนี่สอนไม่เป๊ะเลยนะคือคืออย่างอย่างเรื่องที่คุณยมติวพูดว่าเฮ้เราก็คิดน่นนี่นะแต่เราก็อาจจะรู้ลมบ้างเนี่ย ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เดีนะ๋ยพอมาพิจารณาอ่านใครครนดีๆเนี่ยโอ้พระรูชาต์อธิบายไว้แล้วตัวอย่างนี่ชัดเจนมากอะไรคือพระรูชาต์เปรียบเหมือนกับเสานะถ้าเนี่ยเ ป, ปรีบเสาเอาไว้เสาต้นหนึ่งเดีนะ๋ยใช้ชื่อว่าเสาเกื่อนเสาหลักคือเสาอินเตอร์คีนเดนะเสาอินเตอร์คีนเนี่ยเป็นเสาลักษณะที่ว่าเป็นเสาหินทั้งแท่งแต่ถ้าเราจะพูดถึงหินนะนะก็คือเสาเนี่ยยาว16ศอกกว้างหนึ่งศอก นะเป็นเสาหินตั้งแท่นไม่มีรอยต่อเป็นเสาตันแล้วก็ฝังลงไปใน ด, ดิน8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกโอเป็นเสาที่แน่นหนามากตบดินอย่างดีทํามุมเกสบองศากับพื้นเสาแบบนี้แล้วก็เอาเชือกมานะเชือกนี้ก็ไปผูกกับสัตว์เอาลิงมาก่อนเอาลิงตัวแรกนะจริงจริงแล้มันเหมือนลิงบางทีก็ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกกับลิงปลายเชือกด้านหนึ่งก็ผูกกับเสานะนี่คืออุปมาอุปไมยที่บรรเจ้ายกแล้วก็ลิงเนี่ยมันก็จะ หากินในป่านะมันก็จะถูกปลูกอย่างนี้ก็ไม่สบายมันก็จะวิ่งหนีกลับเข้าไปในป่าถ้าในกรณีนี้นะถ้าบอกว่าเชือกนี้ไม่แข็งแรงหรือว่าเสานี้ไม่ใช่เสาเกินเสาหลักเป็นเสาแบบเสาแบบปูกเปียกน้ำประดามันวิ่งหนีไปเนี่ยมันก็เสาก็หักหรือเสาล้มหรือว่าเชือกขาดมันก็จะหนีไปได้แต่ถ้าบอกว่าเสานี้เป็นเสาที่มั่นคงเชือกนี้เป็นเชือกที่เหนียวมันดึงดึงไปเนี่ยมันจะกลับไม่ได้อันนี้หมายความว่าอะไร ลิงเนี่ยเปรียบเส ม, มือนกับความคิดของเราในความคิดไม่ใช่จิตนะความคิดเนี่ยบางทีมันคิดนั่นคิดนี่แล้วก็คือเหมือนกับลิงที่มันจะพยายามดึงๆๆดึงดึงดึงในขณะที่เสาเนี่ยได้รับแรงดึงได้รับแรงดึงนะมันจะเหมือนกับเวลาที่เรารู้ลมหายใจนเะสานี่เปรียบเหมือนสตินะเรารู้ลมหายใจแต่ก็มีความคิดด้วยโอเคนะเรารู้ลมหายใจยังไม่ลืมลมนะแต่ก็มีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรารู้ลมหายใจนะก็ไม่ลืมลมนะแต่ก็ยังได้ยินเสียง<ะ>แต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เราคิดไปนึกไปแต่ว่าเราไม่ลืมลมหมายใจแต่เช่นเดียวกันกับเสาเนี่ยถูกดึงอยู่นะแต่เชือกไม่ขาดเสาไม่ลมแต่เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับเวลาที่มันไม่ได้ดึงแล้วอย่างเปรียบเทียบกับเวลาที่ลิงนี้มันหมดแรงแล้วมันก็นั่งอยู่เฉยๆเสาอนนี้ไม่ได้รับแรง ก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่เรารู้ลมหายใจเต็มที่เลยโดยที่ไม่ได้มีความคิดไม่ได้ยินเสียงใดๆเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมลงลมหายใจเพราะไม่ใช่ว่าเรามีความคิดแล้วเราให้ยฉันฟุ้งซ่านเหลืเกินไม่ได้ทําจิตให้มีสติได้เลยก็ถ้าไม่ลืมลงลมหายใจแล้วมีความคิดมันก็มีสตินี่นามันเป็นอย่างนั้นค่ะเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะรู้ลมหายใจไปพร้อมๆกับรู้อย่างอื่นแนบเป็นเนื้อเดียวกันเลยไงคะคือตรงนี้ มันค่อยเป็นค่อยไปที่คุณยมติ๋วใช้คําว่าแนบเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันยังไม่รัดกลุ่มเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่อันเดียวกันไงอย่างความคิดกับลมหยใจไม่ใช่อันเดียวกันเนีเสียงกับลมหายใจไม่ใช่อันเดียวกันแต่ว่าที่เรารู้สึกว่ามันแนบเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเพราะว่าจิตมันไปเชื่อมกันอยู่ทีนี้พอเราฝึกสติให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความชัดเจนว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยมันยังจะปรากฏขึ้นได้ทีนี้สติต้องมีกําลังมากไง กำลังมากขนาดที่เรียกว่าไอ้เจ้าสาสตร์ทั้งหกเช่นชนี้เนี่ยมันอ่อนแรงปวกเปียกกันแล้วมันดึงจงกนกระทั่งมันเหนื่อยแล้วดินแล้วกันนั่งเฉยเฉยสติมีกําลังละสติตที่มีกําลังเนี่ยก็จะพาจิตเนี่ยไปสู่วิมุตต์ตรงนี้มันจะผลค่ะอ๋ะอก็อเท่ากับว่าการที่เราใช้จิตตัวรู้เนี่ยมันอาจจะมีผัสสะอย่างอื่นเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ใคือเหมือนกับว่าความคิดเนี่ย ความคิดคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตอะไรปรากฏเข้ามาแต่ถ้าเราเนี่ยยังสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับลมได้ได้นะคะก็เท่ากับว่ามีสติไม่ลืมลมมัจะมีกําลังเรื่อยๆใช่ถกต้องต้องเพิ่มมากขึ้นถูกต้องค่ะแเราลองเปรียบเทียบอุปมาอุปไมานี้นะอถ้าเสายังมั่นคงอยู่นะแล้วสัตว์ดึงเนี่ยสัตว์นั้นมันจะอ่อนแรงลงไปเรื่อย เช <C> e <an> ่นเดียวกันในขณะที่เราไม่ลืมลมเนี่ยแล้วมีความคิดเนี่ยนั่นแหละวินาทีนั้นแหละไอ้เจ้าความคิดหรืออะไรต่างๆมันจะอ่อนแรงลงนิดหนึง่ง <C> e <an> จิตของเราที่มีสติเนี่ยสติจะตั้งมีกําลังมากขึ้นนิดหนึง่งค <C> e <an> ่ะเพรา<ม>ะฉะนั้นบางทีเนี่ยในช่วงแรกๆตอนที่มาฝึกใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะทําไมเราเป็นแบบนี้อืไม่สามารถกําจัดความคิดต่างๆได้เลยมันเข้ามาตลอดเวลาใช่ แล้ว่าการเข้ามาน่ยไม่ได้ผิดปกติถูกไหมคะมันธรรมดามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่ไอ้ที่มันจะไม่ธรรมดาก็คือความสามารถของเราในการที่จะให้สตินั้นตั้งขึ้นได้ใช่โดยการใช้เครื่องมือคือการรู้ลมหายใจถูกตอ้องนะคะต ร, ตรงนี้มีพุพทธพจ์ที่จะสนับสนุนอยู่นิดหนึ่งด้วยเพื่อที่จะให้มันประกอบเรื่องกันให้สมบูรณ์น ะ, นะคุณโยมติวพริญญาตรัสถึงว่าถ้าจิตของเราเนี่ย ตริตึกในเรื่องใดๆดมากจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวจำนี้ให้ดีเลยนะจิตของเราเนี่ยถ้าตริตึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าผมว่าจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับเสียงไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับภาพอารมณ์อะไรที่มันมากับเสียงภาพความคิดเหล่านั้นมันก็จะมีอํานาจเหนือจิตขึ้นมาเช่นโกรธบ้างความคิดอะไรต่างๆบ้างนี่ก็ไปตามเรื่องใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าผมว่าจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจอะไรที่มาติดกับลมหายใจเนี่ยจะมีกําลังขึ้นมานั่นคือสติ ถ้าจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจสติจะมีกําลังขึ้นถ้าจิตของเราไปอยู่กับความคิดนั้นนี่อารมณ์อะไรที่มาติดกับความคิดนั้นนี่ก็จะมีกําลังมากขึ้นหรือมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไ ป, ค, ค, ไปค่ะแล้วก็ในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยที่ฉันก็อยากให้ท่านจํำเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปพิสูจน์นะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัส ด, ด้วยจริงไหมถ้าจิตของเราตรึกเรื่องใดมากๆจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอืมนะคะมีคําถาม ซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปคำถามที่อ่าที่ฉันคิดว่าน่าที่จะตรงกับหลายๆคนก็มีคำถามทางผู้ที่ฝากไปที่ท่านใช่ไหมคะว่าถามว่ากำลังของสตรีอันนี้คือคํา<ค>ำถา ม, ถามที่มาจากเว็บไซต์คืออะไร <c oughs> ใ่ใช่อันนี้คงจะได้อ่านมาจากพุทธวจุดหนึ่งที่พ <c oughs> ระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเป็นคากลอนเอาไว้เป็นร้อยกรองเอาไว้เนาว่าคนพานเนี่ยมีการเพ่งโทษเป็นกำลังพระราชาเนี่ย มีอิสริยยศเป็นกําลังบัณฑิตเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองเป็นกําลังแล้วก็ผู้หญิงคือมาตุคามเนี่ยมีความโกรธเป็นกําลังค่ะแล้วก็สุดท้ายคือสัมาณะเนี่ยมีความอดทนมีขันติเป็นกําลังค่ะเดี๋ยวนี้ท่านผู้ถามนี่คือคุณเปาเนี่ยก็คุณจะไม่เข้าใจจุดที่เรียกว่าเอ้ผู้หญิงสตรีเนี่ยนะมีความโกรธเป็นกําลังเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแต่จุดนี้เอาไล่ไปทีละข้อก่อนเนาะ เพูดถึงบัณฑิตบัณฑิตมีการพัฒนาตัวเองเป็นกําลังนี้ชัดเจนนะไม่ได้เพ่งโทษคนอื่นถ้าเปเรียบเทียบกับเรื่องของคนพานนะคนพานบางทีเราไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็มาหาว่าเราผิดนั่นนี่อันนี้ก็เป็นกําลังของเขาแต่ว่ากําลังนี่คือเขาจะใช้อยู่ บ, บ่อยๆแตเขาจะาตรงนี้มาใช้สมณะก็มีขันติคือความอดทนมีกําลังพระราชานี่เราจะสังเกตได้ก็จะมีการแต่งตั้งให้เครื่องราชดริยภรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกําลังของพระราชา เขาจะใช้กําลังตงัวนี้แต่ที น, นี้ในเรื่องของสตรีในกําลังร่างกายไม่มีใช่ไหมคือมีน้อยถ้าเป ร, รยียบเทีบรรยบกับบุรุษเพราะฉะนั้นสตรีเนี่ยเขาก็จะมีความโกรธเราจะเห็นได้ชัดเจนอย่างเวลาคนที่คบกันอย่างเงี้ยแต่บางทีแฟนงอนอย่างเงี้ยแต่ถ้า <C han> แฟนงอนลนี่ก็ต้องไปงอละคำว่ <C han> า ง, ง้อนนี่ก็คือคือยอมตามกําลังของเขาอ <C han> อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนค่ะก็เป็นกําลังเช่นนี้ใช่แต่ที่ฉันว่าที่อว่าด้วยกําลังทั้งหมดนี่น่าสนใจมากนะคะ คนพาลมีความเพ่งโทษเป็นกําลังใช่คนที่ชอบกล่าวหาคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้หรือเปล่าคะคําว่าเพ่งโทษถูกต้องถูก ต, ต้องะะเขายิ้มก็หาวเขายิ้มเห็นฟันอย่างเงี้ยก็ไปโทษเขาอีกอย่างเงี้ยแต่สมณะนี่ต้องมีขันติใช่ใชถ้าอยากเป็นบัณฑิตอยากมีกําลังต้องพัฒนาตนเองถูก ต, ต้องอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนพระราชานั้นมีอิสริยยศก็เป็นอันว่าคุณเป่าได้รับการขยายความ คำถามไปแล้วนะคะว่าสตรีมีความโกรธมีกำลังนั้นเดียวที่ฉันตอไปนี้จะโกรธตลอดเลยไหมเนี่ยจะได้เป็นผู้มีเวอร์มีกำลังนะคะก็ <c oughs> เป็นบัณฑิตนะผู้หญิงเป็นบัณฑิตได้ค่ะเป็นความจริงว่าอย่างนั้นคือคือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรตัสเนี่ยแปลว่าความจริงใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่เป็นความจริงที่ว่ากำลังของผู้หญิงคือความโกรธมีเรื่องราว ที่ดิฉันไปอ่านเป็นคําถามแล้วดิฉันอ่านพบว่าเรื่องคำถามในลักษณะนี้เนี่ยน่านํามาตอบนะเพราะว่าจะได้ช่วยคนได้คนเนี้ยเขาถามคําถามไปที่เว็บไซต์แห่งหนึ่งนะคะที่ฉันอ่านเจอเนบันเขาบอกว่าเครียดมากครับไม่อยากอยู่คําถา ม, อมของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสิบสามละรายละเอียดก็มีอยู่ว่าเป็นคนที่ไปกู้เงินเข้ามาลงทุน ขาดทุนก็กลัวแม่จะเครียดก็อดทนไม่กล้าบอกใครนะคะแต่นั่งดูกราฟขึ้นลงทุกเดือนติดลบมาตลอดแถมยังค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนี่มันก็ติดตามใช้ทุนตลอดเวลาจนมาวันหนึ่งทุนเหลืออยู่แค่3 5 0แสนงใสงสยจะกู้มาเยอะนะคะแล้วก็บอกรู้สึกล้มเหลวมากคิดไม่อยากอยู่ก็เลยกลายเป็นคนที่ติดเที่ยวดื่มเหล้าหนัก ดื่นตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสี่ตีห้าเป็นอย่างนงี้ทุกคืนประมาณสี่เดือนจนถึงปลายปีถัดมาเงินก็หมดไปกับการเที่ยวเตะไปสองแสนสถานการณ์ยิ่งแย่ไปอีกนะคะแต่พอถึงเวลาที่เคยคิดว่าจะไม่อยู่แล้วคือที่ทนเข้าใจว่าคำนี้แปลว่าค่าตัวตายโอเคพอจะทำข้าจริงๆเกิดใจไม่ถึงไม่กล้า หวงชีว <pouch. S 1> ิตแล้วก็กลับมารักตัวเองเหมือนเดิมกับเงินที่เหลืออยู่เพียงแค่แสนห้าแล้วก็บอกทีเนี้ยเครียดกว่าเดิมอีกพยายามประคับประคองล่าสุดปัจจุบันเนี้ยประคองไปประคองมาเหลืออยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทคือปัจจุบันที่เขียนคำถามนะคะก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงทำให้ครอบครัวลำบากไม่อยากให้ภัยตัวเองนับวันจิตใจก็แย่มากขึ้นทุกวันแต่ไม่รู้ว่า ครั้งเนี้ยจะโชคดีเหมือนครั้งที่แล้วไหมคือเหมือนกับว่าคงคิดค่าตัวตายต่อนะคะแต่ไม่รู้ครั้งนี้จะโชคดีเหมือนครั้งที่แล้วไหมก็เลยบอกว่าถ้าผมยังมีบุญพอขอให้ผมได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยสมมุติว่าเขาถามพระอาจารย์ค่ะคนที่จะตายเนี่ยนะคือเราไม่ฆ่าตัวตายเราก็ตายแน่นอนอันนี้ก็ที่หนึ่งก่อนค่ะแต่ทีนี้ว่าไอการตายของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตายโดยที่ว่าเราไม่เห็นค่าของชีวิต ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอะนะ <Okay. S 1> ตายซะดีกว่าเนี่ยการตายเนี่ยมันไร้ค่าปุ่งอย่างเี้นะการตายเนี่ยไร้ค่าเพราะอะไรก็คุณไม่เห็นค่าของชีวิตคุณตายไปก็ไร้ค่าแล้วก็ตายแบบนั้นก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาหรือเปล่าค่ในท้งตรงข้ามในทางตรงข้าม น, นะถ้าสมมติว่าชีวิตของเราที่เรามีอยู่เนี่ยเฮ้ยเราเห็นคุณค่าของชีวิตนะเสามารถใช้ตรงนี้นตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเกิดตายขึ้นมาไม่ว่าจะตายด้วยโรคอะไรก็ตามนะจะ ตายเองโรคไปใกล้เจ็บหรือจะ่าตัวตายหรือจะอุบัติเหตุเนี่ยการตายตรงนั้นเนี่ยมีค่านะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเห็นคุณค่าของชีวิตที่ผ่านมาหรือว่าได้ <Okay. S 1> ทําอะไรที่มันมีค่าสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แต่พอได้ทาอะไรที่มันมีค่าสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วตายเนี่ยการตายนั้นมีค่าเพราะฉะนั้นถ้าจะตายอย่างไรค่าเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแต่ประมาจะต้องพูดอย่างงี <Okay. S 1> ้ค่ะแต่เพราะว่าไหนๆก็จะต้องตายอ่ะทุกคนก็ต้องตายนะคุณชมเติวนะก็เ <Okay. S 1> นี่เมื่อถ้าจะตายแล้ว ตายอย่างไรค่าเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไงเพร็นถ้าจะตายเนี่ยตายอย่างมีเกียรติดีกว่าตายอย่างมีค่าดีกว่าอย่างไรครับอาจารย์เอาตายอย่างมีค่าก็คือว่าชีวิตของเราเนี่ยมีค่าไหมก่อนถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างมีค่าหรือทําคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมการตายเนี่ยมีค่าไงเพราะฉะนั้นถามดูว่าไอ้ชีวิตที่เราผ่านมาบางทีมันมันสั่งการตายเป็นเรื่องที่แบบไร้ค่ามาแล้วแต่บางทีบางคนประมาทพลาดพลั้งในการประมาทพลาดพลั้งทําให้มันไม่เห็นค่าอะไร ทนี้ถ้าบอกว่าเราใส่คุณค่าเข้าไปในชีวิตของเราเช่นบางคนทํางานแบบแบบโรงงานหรือว่าทํางานที่มันน่าเบื่อหรือว่าเจอสถานการณ์ที่มันโหอโยากเย็นเกินใจมากๆเลยเนี่ยแล้วเราใส่คุณค่าเช่นความเพียรเข้าไปใส่คุณค่าเช่นความเมตตาเข้าไปใส่คุณธรรมคุณค่าเช่นรอยยิ้มเข้าไปในการงานของเราเนี่ยตรงนี้มีค่านะคุณยมเตียวค่ะใส่มีค่าในการที่เราจะทําให้งานตรงนั้นเนี่ย มีคุณค่าขึ้นมาได้พอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ชีวิตเราเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเนะี่แล้วถ้าเราใส่คุณค่าเข้าไปในงานโดยความเพียรก็ตามด้วยความซื่อสัตย์ก็ตามโดยการท100ํา้อยเรเซเข้มแข็งอะไรต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมีอีกคุณค่าขึ้นมาแล้วแล้วตายเนี่ยโอ้การตายนั้นมีเกียรติแต่อย่างคนที่เขาทำทำคุณงามความดีไว้ในบ้านเมืองแล้วก็ตายไปเนี่ยก็ยังมีคนระลึกถึงค่นะนีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราจะให้ ให้การตายของเราแตนะ่ถ้าต้องการจะตายจริงๆเอา้าตายซะตายซะให้มันมีค่าด้วยคนะแต่โดยการใส่คุณค่าเข้าไปในชีวิตที่เรายังมีอยู่อันนี้สำคัญประเด็นคือตรงนี้คุณโยมติ ว, ว่าทุกคนเนี่ยเจอทุกหมดแหละแตนะ่ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ถามไม่ว่าจะเป็นคุณโยมติวหรืออาตมาเองหรือใครก็ต า, า, า, า, ามจะต้องเจอทุกสักอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยแตกต่างกันอาจจะอยู่ในคอนดิชันนี้หรือคอนดิชันอื่นแตนะ่บริบทอาจจะแตกต่างกันแต่จะมีลักษณะของความทุกข์ค่ะแต่นี้คนที่เขา ไม่เห็นค่าในชีวิตเนี่ยนะหรือว่าคนที่เขาทําไม่ถูกเนี่ยพอเจอความทุกข์แล้วเนี่ยไม่รู้วิธีในการที่จะแก้ความทุกข์นั้นแล้วก็ไปหาความสุขที่เรียกว่ากลาวมาสุขเพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะคิดว่าความสุขที่เกิดจากตาหูเช่นกินเหล้ามาเบียอย่างเงี้ยมันจะมาแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของเขาได้ <Okay. S 1> แต่ความคิดอย่างเงี้ยเป็นความคิดที่ไรค่าแต่ทําให้เขาไม่เห็นค่าในชีวิตไงถ้าตายแบบนี้ก็ตายแบบไรค่าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น วิธีการนี่คือคนที่แบบไม่รู้เรื่องคนที่แบบไม่เคยได้ฟังธรรมะน่ะไม่มีเพื่อนดีคอยแนะนํามันจะเป็นอย่างนี้นั่นก็คือเจอความทุกข์แล้วก็จะไปหาการมาสุขที่กี่ว่าจะแก้ปัญหาความทุกข์นั้นแต่คนที่เขาฉลาดคนที่เขาเห็นคุณค่าเห็นคุณงามความดีเนี่ยพอเจอความทุกข์เขาก็เจอเหมือนกันนะ่ะทุกคนเจอพระพุทธเจ้าก็เจอใครๆก็เจอเจอความทุกข์แบบนี้พอเจอแล้วนะรู้อุบายในการที่จะมาบอกซึ่งความทุกข์นั้นรู้อุบายนะ แล้วก็ไม่ไปหาการมาสุขนะพอไม่ไปหาการมาสุขรู้อุบายในการจะนําออกซึ่งความทุกข์นั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็ออกจากหลุมตรงนั้นไดนะ้ออกจากไอ้ทางที่มันจะไปต่ำอะ่ะคือถ้าคนเจอความทุกข์แล้วไปหาการมาสุขที่คิดว่าจะพ้นจากความทุกข์ได้ใช่ไหมแต่ที้การมาสุขเนี่ยมันสุขนิดเดียวแต่มีโทษมากมีโทษมากเจอโทษของมันนก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกนะเจอความทุกข์ทำไงคิดว่าจะไปหาการมาสุขการมสุขมีสุขนิดเดียว มีโทษมากยิ่งทุกข์หนักก็เปอีกอันนี้พระบรุญชาเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนแล้วก็เก่านะน ะ, ะเก่าเนี่ยคือมันเป็นโรคเรื้อนเป็นแผลมันก็จ ะ, ะคันพอคันแล้วก็จะเก่าทีนี้พอเก่าแล้วเนี่ยไอ้ผิวหนังก็จะเปิดเชื้อโรคน้ําเหลืองอะไรต่างๆก็จะมากขึ้นพอมีเชื้อโรคมากขึ้นก็ยิ่งคันยิ่งคันแล้วก็เลยเก่าแต่เก่าเนี่ยมันจะมีความสุกนิดหนึ่งจากการเก่าพอเก่ามากแผลก็ยิ่งเวอะแวก น้ำหนึ่งก็ยิ่งมากเชื้อโราก็ยิ่งมากยิ่งมากก็ยิงย่งกันยิ่งการก็ยิ่งเกาเกาแล้วก็มีความสุขนิดหนึ่งมันก็ยิ่งต่ำลงต่าลงอะ่ะนะเราจะออกจากรูปนี้ได้ก็ต้องมาอีกทางหนึ่งโดยการที่ไม่เข้าไปหากรารมปรสงค์นั้นอันนี้เป็นขั้นแรกทนะีนี้พอเราจะไม่เข้าไปหากรารมปรสงขนั้นได้จะมาหาวิธีในการที่เจ อ, อกจากความทุกนี้ก็ใส่คุณธรรมต่างๆเข้าไปนะาเช่นการทําความเพียรการคบเพื่อนดีการเลิกอับายมุก การที่เราตั้งสติขึ้นในการที่เราเพยันขันแข็งทำมาหากินเนี่ยพวกนี้จะจะช่วยได้ค่ะก็คือเท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าอย่างแรกเนี่ยอการมาสุขที่เคยไปทดลองมาแล้วแล้วมันก็ยิ่งทําให้เงินหายหายไปโดยไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยต้องเลิกเสียเลิกเสียถูกไหมคะแล้วก็รู้อุบายในการจะนําออกซึ่งความทุกข์แต่ทีนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าสําหรับคน อย่างเจ้าของคำถามเนี่ยก็จากหลายแสนสงสัยอาจจะกู้เป็นล้านด้วยซ้ำ น, นะคะอตอนนี้เหลือเจ0ดพันเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกอะว่าที่เจ็0พันเนี่ยจะใส่คุณค่าเข้าไปตรงไหนมันรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าท่านก็บอกว่าให้ใส่ความเพียรใส่ความเมตตาใช่อันนี้เป็นเป็นคุณธรรมบา้างที่ที่เราจะทำได้นะค่ะแล้วก็โดยช่วงยิ่งไอเรื่องของการทำหากินเนี่ยพระพุทธบอกว่า ให้เป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อในการทำกิจการงานต่างๆอาจจะเป็นอาชีพค้าขายอาชีพของการใช้ศิละปะยังได้อางหนึ่งทำเองก็ได้จัดให้กระทำก็ได้เแต่พวกนี้ให้เราทำตรงนี้เดีนะ่ยเป็นตามมาอย่างโปกทรัพย์เพื่อนชั่วเนี่ยบางทีมันแฝงตัวมาในคนใส่สูตรปุ๋ในไทยก็มีเนะี่ยบางทีแนะนำไม่ถูกเราไม่รู้ไม่ฉลาดในอาชีพสาขาวิชานี้ ค น, นที่ไม่เคยเล่นหุ้นมาเล่นหุ้นเนี่ยบางทีมันก็เสียเราก็ไปทําอะไรที่มันเราฉลาดเรามีความสามารถในการทําเองสามารถในการจัดให้กระทําอันนี้คือต้องไปทางนั้นค่ะแต่นี้ว่าคนที่แบบจิตใจกลุ่มรุมมีความเครียดเนี่ยลักษณะของความเครียดเนี่ยทําให้เขาคิดไม่ได้คุณหยมติวค่ะความเครียดแตฉันก็ว่ายอย่างนั้นนะค ะ, ะคือนิวร์มันคิดไม่ออกอ ค, ความเครียดเนี่ยคือเครื่องกั้นความเครียดเนี่ยคือเครื่องคอยปกปิดไม่ให้อะไร ไม่ให้จิตมันสว่างเพราะจิตไม่สว่างไม่เห็นทางเนี่ยมันมืดแปด้านเพราะมืดแต่ด้านแนละ้วทำไงก็ไปหาเหล้าหาเบียะพวกเนี่ยมันก็เลยพลาดยิ่งพลาดหนักเข้าไปเพราะฉะนั้นทำไงให้มันสว่างให้มันเปิดขึ้นมาอยากเครียดพูดง่ายนะไอ้ก็ไม่อยากเครีย ด, ดง่ายแต่ว่ามันยากบางทีบางคนเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะแบบเนี้บอกตัวเองไม่ให้เครียดแต่มันมีอาการต่างๆที่เป็นอาการที่สะท้อนมาว่ากําลังเครียดอือันหนึ่งที่เรามาใช้ด้วยตัวของเราเองค่ะและคือ แทนที่เราจะมองว่าเราเสียอะไรไปว่าโอ้ฉันเสียเงินฉันเสียโอกาสฉันเสียเวลาฉันเสียนี่เสียนี่อันนี้ยิ่งเครียดค่ะให้มองว่าเรามีอะไรเรามีอะไรอยู่ไอ้มีเงินทั้งเจ็ดัน่ะไอ้คนอื่นแม่งมีเงินน้อยกว่านี้ก็มีนะบางคนมีเงินสองสาร้อยอย่างเงี้ยแล้วยังมีเจ็ดพันไอ้เรายังมีแขนขานะเรายังมีครอบครัวเรายังมีบ้านอยู่ให้มองตรงที่เรามีแต่ก็อย่าไปคิดว่าเราจะไปเสียอะไรแต่เราคิดว่ามีอะไร และเราก็เริ่มจากตรงที่เรามีอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งคือถ้าเราเอาจิตไปใส่ไว้ตรงไหนแล้วมันจะเครียดเนี่ยเราอย่าเอาจิตไว้ตรงนั้ น, น, นคือคือสถานการณ์บางคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาตกในสถานการณแบบไหนนะแต่ถ้าเขาคิดไปตรงถ้ามันเช่นว่าเล่นหุ้นอย่างนี้เป็นต้นอะถ้าคุณคิดถึงหุ้นตัวนี้มันจะแบบมันจะจมเงินจมอยู่เงี้ยก็เอาออกจากตรงนั้นซะ นะเอาจิตออกจากตรงนั้นซะปิดพอร์ตซะเลิกขายมันทิ้งซะแล้วเงินไปทำอย่างอื่นนะเพราะว่าถ้าใจเราอยู่ตรงนั้นแล้วมีแต่จะเสียจะเสียเนี่ยมันมันใช้งานไม่ได้นะเอาเท่าไหร่ที่มีเหลือลราเปลี่ยนทำอย่างอื่นซะทำไมเพราะว่าถ้าจิตเราไอยู่งนั้นมันมีแต่เครียดอ่ะคุณก็จิตไปอยู่ตรงอื่นแล้วนะมันจะดีกว่าทำไมเพื่อให้จิตเราแจ่มใสแล้วเราจะคิดหาทางแก้ได้นะความความเครียดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเดีนะ๋ยวเราเอาไปจิตไว้ตรงจุดที่เราจะสบายใจเราจะดี ทอาชีพที่เราทําได้ทอาชีพที่เราตั้งจิตแล้วมันจะสามารถไม่เครียดสามารถที่จะไปได้มีความขขังขันแข็งมีคุณแจธรรมต่างๆเกิดขึ้นเออทํามันตรงนั้นอันนี้จะจะค่อยแก้ไปได้นะค่ะเดียฉันเคยสนทนากับคนที่เขาเคยผ่านภาวะเครียดอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะถึงขนาดไม่อยากอยู่นะคะเพียงแต่บอกว่ามันมันเครียดจนไม่รู้จะทายัางไงหน้าตาดาปีไปหมดนะคะ แล้วก็บอกบอกว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นมันไม่น่าเครียดคือความเครียดสาเหตุเกิดมาจากงานเข้ามาเยอะค่ะท่านคะกิจการดีงานเข้ามาเยอะรับงานไม่ไหวทําไม่ทันทีนี้การทํางานกับอาจจะเป็นคู่ค้าเป็นชาวต่างชาติบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีระบบระเบียบถ้าทําไม่ทันอาจจะมีการปรับเสียหายมากใช่ไหมคะอืม นีบอกเครียดตาค้างนอนไม่หลับเป็นคืนคืนเนี่ยท่านคะเขาแก้ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะก็ทำยัไงไงเอ่ยเข้าวัดค่ะท่นานคะพอเข้าวัดไปเจอพระพระแนะนําว่าให้นั่งสมาธิอืมบอกให้นั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นบอกตอนแรกก็ทําไม่ได้สุดท้ายก็คิดว่าก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี่ยังไงแนละ้วอาทําก็ทําก็ทําไปเรื่อยๆบอกพอสติมีที่ตั้งอย่างที่ท่านว่ามั้งคะมันก็คลาย ความเครียดคลายเริ่มคิดโน่นคิดนี่ออกแล้ก็แก้ปัญหาชีวิตมาจนถึงวันนี้<ๆ>ก็เลยฝักใฝ่อยู่กับการที่จะต้องมีสติอยู่กับกายตลอดเวลาแล้วก็ได้เผยแพร่ไปให้คนอื่นทำเช่นนี้ด้วยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ค่ะอืมอนนี้เป็นเรื่องสำคัญคือบางทีเราจะต้องตั้งจิตอาไว้อะให้ให้มันพอประมาณพอสมควรให้มันเป็นฐานเป็นหลักแหล่งที่มันจะพึ่งได้ มันถึงจะค่อยเป็นค่อยไปได้ค่ะคือมันจะไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยอ่ะคือเรื่องพวกนี้บางทีฟังดูเหมือนกับมันไม่น่าช่วยแต่นอกจากตัวอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็เคยได้ยินนักธุรกิจระดับประเทศเลยนะคะอืร่ารวยมากอ่ะเขาก็เคยมาให้สัมภาษณ์ในทํานองเนี้ยว่าเครียดแล้วก็แก้ด้วยการทําสมาธิอืมตัวนี้ถ้าให้าิมาต น, นึกถึงพุทธพจน์น่าจะมีขั้นตอนอยู่ห้าขั้นตอน ที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงการที่เราจะเอาอากัรสรธรรมเช่นความเครียดนี้ออกไปจากใจของเราค่ะแต่ขั้ตอนแรกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับใช้ลิ่มสลักอันเล็กในการที่จะสกัดลิมสลักอันใหญ่ออกไปได้นั่นคือใช้ระบบหลักคานเลยน ะ, ะก็คือเราคิดเรื่องนี้แล้วมันจะเครียดเราก็ไปคิดเรื่องอื่นซ ะ, ะ, นะไปคิดเรื่องอื่นซะอย่าไปคิดเรื่องตรงนั้นก็คือเอาใจไปใส่เรื่องอื่นก็เป็นลักษณะว่าเหมือนกับเราพยายามที่จะ คิดเรื่องนั้นมันก็จะอารมณ์อะไรที่มันตีกับเรื่องนั้นมันก็จะมาช่วยผลักดันเรื่องที่ไม่ดีออกไปได้ <Okay. S 1> หรือขั้นตอนที่สองพระชาทธเปรียบเหมือนกับคนที่มองไปทางนี้ออมองไปทางนี้ไม่ดีฉันมองไปทางอื่นดีกว่าแต่ก็คือกรณีของคุณยมติ๋วเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาจ่มาคิดเรื่องงานมันมีแต่เครียดไว้ก็ไปคิดทําเรื่องสมาธิก็คือเหมือนกับมองไปทางอื่นแต <Okay. S 1> ไม่มองเรื่องงานตัวนี้มองแต่เรื่องลมหายใจอย่างงี้ <Okay. S 1> นี่คือตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่สามพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่เขารักสวยรักงามแล้วก็มีคนเอาซากงูซากสุนัขอะไรมาแขวนไว้ที่คอพอเขารูว้วตัวนี่มันของเหม็นนี่เขาก็รีบเอาออกไปเลยนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่รู้ว่าไอ้ความเครียดเนี่ยเรื่องมันเป็นอกุศลธรรมนะฉันไม่คิดหรอกฉันโยนมันทิ้งไป อ, อันนี้คือข้อที่สามหรือข้อที่4นี่เปรียบเหมือนกับการที่เรามาพิจารณาเห็นโทษของความเครียด ของสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยว่ามันไม่ดีไม่ดีอย่างไรเห็นรูปวันสันฐานทั้งข้อดีข้อเสียของมันแล้วเราสามารถที่จะ ช, ชั่งน้าหนักแล้วก็ปล่อยวางมันได้นี่คือข้อที่4ี่แล้วข้อที่5้นี้วิธีสุดท้ายเลยคือถ้าทํา4ข้อแรกมาไม่ได้แล้วเนี่ยให้ทําวิธีนี้นะก็คือขบฟันด้วยฟันอัดพยานด้วยลิ้นข่มจิต ด, ด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดให้มันจะหยุดไหมไอ้เจ้าอากุศลธรรมนะคือหักดิบกันเลยคือแบบที่พระพุทธเจ้าทําทุกรกิริยานะ ว่ามันต้องออกไปอกุศลธรรมอยู่ไม่ได้อย่างงี้นี่คือฝันด้วยฟันใช่อัดเพดา น, ด, ด, านด้วยลิ้นค่มจิต ด, ด้วยจิตเพื่อให้อ้เจ้าอากุศลธรรมเนี่ยออกไปแต่ <c oughs> มันจะออกไป้หคือลักษณะนี้เช่นว่าถ้าเราเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสมมอิว่าถ้าอดมาบีบคอตัวเองเนี่ยนะมันจะออกไปไหไอ้เจ้าความชั่วเนี่ยแ <c oughs> วบหนึ่งเนี่ยมันจะออกไปได้คือคือความคิดที่มันไม่ดีเนี่ยนะคุณจะไปคิดคือตอนนี้คุณจะตายอยู่แล้วอ่ะ กูจะไปคิดเรื่องที่ไม่ดีอีกมันมันอยู่ที่มันจะต้องกลับมาที่ลมหายใจล้วจีบของเรามันอื่นอานแล้วอย่างเงี้ยนะค่ะก็ใช้วิธีนี้นี่คือวิธีที่ห้าถึงไม่ใช่ว่าให้ให้ทําอื่นอะัดแต่จุดประสงค์คือเพื่อที่ให้กุศลและต่ำมันออกไปให้ได้ค่ ะ, อ, คะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาทางออกให้กับชีวิตตามคําสอนของพระพุทธองค์เด็ดว่านนะคะก็เดี๋ยวฉันอาจเข้าใจว่าท่านเจ้าของปัญหาเนี่ย ถามปัญหาเมื่อหลายปีก่อนป่านนี้อาจจะคลี่คลายผ่านไปได้แล้วหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าในสังคมเนี้ยจะมีคนที่มีความทุกข์มีความเครียดบางอย่างหาทางออกไม่ได้อยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ด้วยของการเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์มากนะครท่านยิ่งถ้าเป็นหนี้พวกเจ้าหนี้โหดอะคะเจ้าหนี้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันเคยได้ยิน กับผูตัวเองมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะมันไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าในหนังอะไรเงี้ยมีการเอามีดปังตอม า, อาขู่กันโชชาโชชาอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ท่านตั้งสติแล้วกันนะคะแล้วก็ใช้คำสอนของพระศาสดาเนี่ยเอาไปค่อยๆ ค, ค ล, คลี่คลายปัญหาแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนที่ท่านปบุญใษ้พูดไปแล้วเรื่องของการจะต้องมีความเพียรใช่ไหมคะใช่ อที่จะอะค่อยๆ ค, คลี่คลายปัญหาของตัวเองไปด้วยและให้เข้าใจว่าชีวิตเนี้ยมีค่าจงอย่าปล่อยให้ตายอย่างไร้ค่าใช่ให้ตายอย่างมีเกียรติให้ตายอย่างมีค่านะคะและถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาทำนองเนี้ยยังรู้สึกไม่จุใจอยากจะฟัง จากหูของตัวเองเพราะว่ามีแง่ามีมุมบางอย่างที่ดิฉันถามไปก็ไม่ถึงหรอกวันที่สามนะคะท่านเพบูลจะเดินทางมากรุงเทพไปที่ตึกของปตทสพหรือว่าตึกเอ็นโก้ชั้นที่ห้าตามคำนิมนต์ของชมรมรักธรรมที่นั่นในเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งเปิดโอกาสให้ถามคำถามกันส่วนวันที่สี่กรกฎาคมเป็นวันหนึ่งอันนี้จะไปที่ ขอจุดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทะปัญโยนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปเพื่อแสดงธรรมในช่วงเช้าหัวข้อเรื่องจักคือธรรมอันประเสริฐเช้าถึงเที่ยงเที่ยงมีอาหารให้รับประทานกันอีกในลักษณะของการตั้งโรงทานคือรับประทานฟรีบายโมงครึ่งกลับเข้ามาอีกทีจะมีทั้งการปฏิบัติธรรมนำฝึกสมาธิและตอบคาถาม จุใจเลยจนกระทั่งถึงสามโมงครึ่งค่ะก็คงจะเป็นโอกาสที่ท่านผู้ฟังรายการได้ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีฟังในรายการก็ติดใจแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดว่าเป็นแฟนรายการพระอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เป็นผู้ศรัทธาที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วค่ะนมสัสการขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะ ท่านฟังที่ครบค่ารายการสัมมีสนทนานะคะสัมมีนาทพงดําเนินรายการเรียกว่าพยายามทําให้ท่านทั้งหลายได้ครบเลยเรานําด้วยการให้ฝึกปฏิบัติธรรมเพราะการฝึกปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธองค์ท่าน ส, สนรรเสือนะคะว่ากุศลแรงมากและอีกอย่างหนึ่งมีครูบาอาจารย์ซึ่งท่านสอนอยู่เป็นประจําทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมานําทางวิทยุเหมาะแก่ผู้ที่ไม่สะดวกจะเดินทางแต่อยงไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสก็ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมีทุกเดือนที่วัดป่าดอนหายโศกของท่านเพบูรณ์วันนี้เราก็คงจะลาท่านฟังทุกท่านกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าพุทธวสวสดีคะ่ะ